ทุกสองแบบทุกมืดเกิดจากการยอมปล่อยตัวปล่อยใจทุกสว่างเกิดจากการมีสติคิดแก้ไขหากมีนิสัยของนักเจริญสติคุณจะรู้เองว่าทุกแบบสว่างเป็นอย่างไรอุ่นใจไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไปถึงจุดที่ทุกแบบมืดสนิทกับใครเขา ทุกแบบสะสมทุกแบบส้ำซากทุกแบบหาทางออกไม่เจอหลายก้อนหินใหญ่ที่พอกพูนจนปิดปากถ้ำไม่เห็นแสงนั่นคือทุกแบบมืดทุกที่มืดอยู่กับจิตที่มืดมิดเกิดจากการยอมปล่อยตัวปล่อยใจทดทอ้อทอทุระกับปัญหาภายนอกรวมทั้งไม่หาทางแก้ปัญหาภายในยิ่งวานยิ่งเกากองทุกเกลกรังเกินแก้ ถึงวันหนึ่งถึงมืดแปดทิตศคิดอะไรไม่ออกส่วนทุกแบบสละออกทุกแบบไม่ยอมย่ําอยู่กับที่ทุกแบบมีแก้ใจหาทางออกเป็นครั้งครั้งแบบเดียวกับคนคิดทิ้งขยะออกจากบ้านเป็นวันวันแม้เกิดขยะมากแค่ไหนในที่สุดบ้านก็กลับมาโล่งได้เสมอนั่นแหละทุกแบบสว่าง ทุกสว่างอยู่กับจิตที่สว่างเกิดจากการมีสติคิดแก้ไขทั้งปัญหาภายนอกและภายในไม่หวังใจเพียงแค่ปัญหาภายนอกจบแล้วก็พอแล้วแต่รู้ต่อเห็นต่อด้วยว่าปัญหาภายในจบตามด้วยหรือเปล่าไม่ว่าปัญหาภายนอกยังอยู่หรือจบแล้วแค่สำรวจเข้ามาว่ายังเหนื่อยอยู่ไหมยังท้ออยู่ไหมยังกลัวเจอหมัดต่อไปอยู่ไหม ความค้างคาเป็นสิ่งที่รู้อยู่แก่ใจใจย่อมตอบตัวเองถูกทุกครั้งก็แค่มีแก่ใจถามตัวเองทุกครั้งหากสมรวจเจออย่านิ่งนอนใจบอกตัวเองว่ายิ่งสะสมยิ่งเหมือนก้อนหินปิดถ้ำยิ่งมากก้อนยิ่งไปถึงจุดที่ทาให้ตาบอดไม่เห็นแสงเดือนแสงตะวันได้ให้หายใจยาวขึ้นและบอกว่านี่คือการปักหมุดเป็นจุดเริ่มสังเกตว่า กำลังทุกหนักประมาณนี้จากนั้นครั้งต่อไปหายใจตามปกติและสังเกตใหม่ทุกหนักเท่าเดิมก็ยอมรับว่าหนักเท่าเดิมทุกหนักกว่าเดิมก็ยอมรับว่าหนักกว่าเดิมทุกเบาวกว่าเดิมก็ยอมรับว่าเบาวกว่าเดิมรู้แค่นี้ได้เรื่อยๆจนติดใจกลายเป็นนิสัยของนักเจริญสติ